ตอนที่เจ็บสองหลิวเคอเคอล้มลงเองหลิวเคอเคอร์แอบวางแผนการอื่นอยู่ในใจเงียบๆนักเขตทหารเจ้าชุนฮาวาเดินเป็นเพื่อนหลีชิงผิงออกมาเดินเล่นรับลมช่วงสองสามวันมานี้แดดค่อนข้างดีหิมะที่ตกไปก่อนหน้านี้ก็ละลายไปเกือบหมดแล้วแม่ขนูโตขนาดนี้แล้วออกมาเดินเล่นเองได้แม่ไม่ต้องตามมาหรอกคะ่ะ ลี้ชิงทิงเกรงใจที่ต้องให้แม่สามีลำบากปกติงานน้อยใหญ่ในบ้านแม่สามีก็เป็นคนทำหมดตอนนี้แม้แต่เธอจะออกจากบ้านแม่สามียังต้องตามมาดูแลทําให้เธอรู้สึกอึดอัดอยู่บ้างเจ้าท้องไซอยู่แม่ก็ต้องตามให้ชิดหน่อยสิเจ้าชุนหวากล่าวอย่างอารมณ์ดีจะปล่อยให้เจ้าออกมาคนเดียวได้ยังไงอวิ๋งอย่างกําชับแม่เป็นพิเศษว่าให้ดูแลเจ้าดีๆควรจะเป็นพวกเราที่เป็นรุ่นลูกหลานดูแลแม่มากกว่าตอนนี้กลับกลายเป็นตรงกันข้ามไปเสียได้ ตั้งแต่หลีชิงถิงแต่งเข้ามาความสัมพันธ์กับแม่สามีก็ดีมาตลอดราวกับเป็นแม่ลูกกันจริงๆมากกว่าเสียอีกชิงถิงเจ้าดูสิพวกเจ้าสองคนแต่งงานกันมานานขนาดนี้แล้วเจ้าเคยบอกทางบ้านบ้างหรือยังเมื่อเห็นว่าจะมีหลานแล้วเจ้าชุนฮววก็ยังไม่เคยเห็นหน้าดงเลยจนถึงตอนนี้เธอเคยได้ยินหลีชิงผิงบอกว่าคนทางบ้านเดิมไม่ค่อยดีนักเธอจึงไม่อยากติดต่อเพราะกังวลว่าจะสร้างปัญหาให้ตระกูลเจิง้ง ลูกสะายเป็นคนดีสิ่งที่เธอมองคือตัวตนของลูกสะพ้ายคนอื่นจะดีหรือไม่นั้นไม่สําคัญเจ้าชุนฮวากังวลว่าหลีชิงพิงจะมีเรื่องลําบากใจอะไรที่บอกไม่ได้หากพูดออกมาพวกเขาก็จะได้ช่วยกันแก้ปัญหาหลีชิงพิงแววตามหมดลงเล็กน้อยแม่ขนูยังไม่ได้ติดต่อทางบ้านเลยค่ะทั้งเรื่องหย่าและแต่งงานใหม่หลีชิงพิงไม่เคยคิดจะติดต่อทางบ้านเลยแม้แต่น้อยต่อให้ติดต่อกลับไปพวกเขาก็คงไม่สนใจเธอและลูกสาวอยู่ดี หากพวกเขารู้ว่าตอนนี้หลีชิงถิงมีความสุขดีก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาก่อเรื่องวุ่นวายอย่างไรบ้างหลีชิงถิงหงหนชีวิตที่สงบสุขในตอนนี้มากเรื่องในอนาคตค่อยว่ากันอีกทีเจ้าตั้งใจว่าจะไม่ติดต่อกันแบบนี้ตลอดไปเลยหรือเจ้าชุนฮาวาถามเบาๆอย่างละเอียดที่ถ้วนเราให้พวกเขารู้เองค่อยว่ากันเถอคะค่ะหลีชิงถิงยินกรานตามความคิดของตนเจ้าชุนหวาจึงไม่กล้าพูดอะไรต่ออืมได้จะถ้าเจ้ามีเรื่องลำบากใจอะไรอย่าเก็บไว้คนเดียวเด็ดขาดนะบอกออกมาเถอะพวกเราจะได้ช่วยกันหาทางออก เจ้าชุนฮาวากำชับอย่างไม่สบายใจข้หนูทราบแล้วคะตอนนี้หลีชิงผิงมีที่พึ่งแล้วเจ้าชุนฮาวายกมือขึ้นตกหลังมือเธอเบาๆแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าตอนออกมาไม่ได้หยิบน้ำมาด้วยหลีชิงผิงเดินข้างนอกนานๆต้องหิวน้ำแน่ๆเธอไม่อยากให้หลีชิงผิงเดินกลับไปกลับมาให้ลําบากจึงตัดสินใจกลับไปเอาแก้วน้ําเองเจ้ารอแม่ตรงนี้ก่อนนะแม่จะรีบกลับมาหลีชิงผิงรีบบอกแม่คขไม่ต้องกลับมารอข้าหนูเดินเล่นอีกสักพักก็จะกลับแล้ว วันนี้แดดดีหาได้ยากอยู่ข้างนอกรับแดดนานหน่อยจะดีต่อร่างกายผู้จบเจ้าชุนฮาวาก็รีบกลับบ้านหลีชิงพิงมองตามหลังแม่สามีไปมุมปากยกยิ้มขึ้นโดยไม่รู้ตัวมือลูกท้องน้อยตามสัญชาตญาณหลีชิงพิงยืนรอแม่สามีอยู่ที่เดิมไม่นานนะักก็ได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวจากด้านหลังเธอคิดว่าเป็นแม่สามีกลับมาแล้วจึงหันไปยิ้มพลางเอ๋อยว่าแม่คะทำไมกลับมาเร็วทว่าคำพูดยังไม่ทันจบหลีชิงพิงก็เห็นผู้ที่มาถึงชัดเจนไม่ใช่แม่สามี แต่เป็นหลิวเคอเคอหลีชิงถิงไม่สนิทกับเธอจึงเบือนหน้าหนีอย่างเย็นชาและไม่คิดจะสนใจแต่หลิวเคอเคอร์ไม่คิดจะปล่อยหลีชิงถิงไปเป้าหมายของเธอในวันนี้คือหลีชิงถิงหลีชิงถิงตอนนี้ชีวิตเธดีจนหน้าอิจฉาจริงๆนะหลิวเคอเคอมองสำรวจหลีชิงถิงเธอจำได้ว่าตอนเจอผู้หญิงคนนี้ครั้งแรกผิวพรรณไม่ได้เรียบเนียนขนาดนี้ผมเภาก็เหมือนหญ้าแห้งววตาดูขาดกลัวและขาดความมั่นใจตลอดเวลา แต่ตอนนี้ผ่านไปไม่นานหลีชิงถิงสวมเสื้อนมรุ่นใหม่ล่าสุดที่กําลังเป็นที่นิยมห่อหุ้มร่างกายอย่างมิชิดดวงตาเป็นประกสสายสดใสไม่มีวิแววของความเหนื่อยล้าจากการตั้งคันเลยแม้แต่น้อยกลับมีความสุขที่ทําให้คนไม่อาจละสายตาได้แทนเห็นได้ชัดว่าเจิ้งอวิ๋นฉงดูแลหลีชิงผิงเป็นอย่างดีแววตาของหลิวเคอร์อเคอร์ฉแววอามาหิดเธอขยับหมัดแน่นผู้หญิงคนนี้มีสิทธิอะไรถึงได้มีชีวิตดีกว่าเธอ หลังจากหลี่ชิงพิงกับโจเจี้ยนเย่ยชีวิตเธอก็ดีขึ้นเรื่อยๆในทางปรับกันชีวิตของโจเจี้ยนเยียกลับแย่ลงทุกทีราวกับว่าหลิวเคิรเคิร์พยายามแทบตายเพื่อแย่งชิงผู้ชายสารเลวมาคนหนึ่งอย่างนั้นแหละชีวิตที่เธอเป็นอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่เธอเคยอิจฉาหรอกเหรอหลี่ชิงพิงโต้กลับด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยเธอไม่จำเป็นต้องมาอิจฉาฉันหรอกเธอหมายความว่ายังไงหลิวเคิรเคิร์งสงสัยว่าหลี่ชิงพิงจงใจพูดจาถักถางเธอผู้หญิงคนนี้ดูซื่อๆไม่นึกเลยว่าจะพูดจา ฉันไม่ได้หมายความว่ายังไงทั้งนั้นลีชิงพิงไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยจึงตั้งใจจะเดินกลับบ้านวันนี้ไม่จำเป็นต้องเดินเล่นต่อแล้วแต่หลิวเคอเคอร์อไม่ยอมให้เธอไปจูจ่ๆเธอก็ยื่นมือไปกระชากแขนลีชิงผิงไว้ลีชิงพิงฉันยังพูดไม่จบเธอจะไปไหนไม่ได้แรงบีบของหลิวเคอร์อเคอหนักมากลีชิงพิงพยายามสะบัดแขนออกสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีเธอจะทําอะไรเห็นพวกเราสองคนมีชีวิตที่สู้เธอไม่ได้เธอคงสะใจมากสินะ ลี่ชิงพิงเธอช่างใจดําจริงๆอยา ก, ก็คื อ, อยาแต่เธอกลับเอาเงินเก็บทั้งหมดของโจเจี้ยนเยี่ยไปเงินพวกนั้นสาหรับพวกเธอแม่ลูกในตอนนี้มันไม่จําเป็นเลยด้วยซ้ําเอาออกมาคืนพวกเราซะวุ่นวายตั้งนานที่แท้ก็มาเพื่อเงินลี่ชิงถิงเองก็เริ่มหมดความอดทนจึงสวนกลับไปตรงๆเงินเก็บพวกนั้นเป็นสินสมรสของเราสองคนฉันแค่เอาส่วนที่ฉันควรจะได้มาเท่านั้นอะไรคือเงินของเธอมันเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ได้ยินไหม เสียแรงที่เจียนเย่ยังอุตส่าห์เป็นห่วงพวกเธอแม่ลูกทำไมเขาถึงมองไม่เห็นท่าแท้อันน่ารังเกียจของพวกเธอสักทีนะหลิวเคอเคอโกรธจนฟันสั่นหลีชิงพิงตัดสินใจแล้วว่าไม่ว่าอย่างไรก็จะไม่ให้เด็ดขาดตอนนี้คนที่เขาควรจะห่วงคือเธอไม่ใช่ฉันอย่าเอาฉันไปเกี่ยวด้วยหลีชิงพิงไม่อยากมีพันธะใดๆกับผู้ชายคนนั้นอีกเพราะเธอแต่งงานใหม่แล้วหากมีข่าวลือเสียหายออกไปต่อให้มีร้อยปากก็อธิบายไม่ถูกหลีชิงพิงพยายามสะบัดมือหลิวเคอเคอออกอีกครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลิวเคอเคอเห็นตัวเล็กผอมบางแบบนี้แต่แรงไม่น้อยเลยจริงๆรลีชิงผิงออกแรงมากขึ้นปล่อยหลิวเคอเคอร์เหลือไปเห็นเงาร่างคนอยู่ไม่ไกลาจากด้านหลังลีชิงผิงร่างกายของเธอพลันงอแล้วล้มลงไปข้างหลังทันทีอายลีชิงผิงมองหลิวเคอเคอที่ล้มลงเองอย่างไม่เข้าใจผู้หญิงคนนี้คิดจะทําอะไรเคอร์เคอร์อ เสียอุทานของโจเจียนเ ย, ย่ดังขึ้นหลีชิงผิงมองดูผู้ชายคนนั้นวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วตรวจดูอาการของหลิวเคอเคอด้วยความหลนลานเป็นอะไรไหมเจ็บตรงไหนเจ็บหลิวเคอเคอร์แรงตอนล้มไว้แล้วเธอแค่บังเอิญล้มก้นกระแทกตอนนี้รู้สึกชาเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรมากเธอมองโจเจียนเ ย, ย่ด้วยน้ำตาคลอเบ้าเจียนเ ย, ย่เมื่อกี้ฉันก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรผิดไปชิงผิงก็จู่จูก็ผักฉันจนล้มเธอคงจะอิจชาที่ฉันท้องอิดชาที่ตอนนี้พวกเราสองคนมีความสุข